ผลกรรมของคนไร้มารยาทถามต้องทำงานใกล้ชิดกับคนไม่มีมารยาทชอบทำอะไรให้เรารู้สึกหงุดหงิดบางครั้งยิ่งรู้ว่าเราไม่ชอบก็ยิ่งแกล้งเห็นเป็นเรื่องสนุกทำให้เกิดความเกลียดขี้หน้ามากขึ้นทุกวันเลยอยากทราบว่าเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรจากความเป็นคนขี้แกล้งและไม่มีมารยาท เกื่อจะลดความเกลียดลงได้บ้างตอบคุณได้อยู่กับคนไม่มีมารยาทอย่างเขาเดียวยวอย่างมากก็วันละแปดชั่วโมงในเวลาทำงานแต่เขาต้องอยู่กับคนไม่มีมารยาท ต, ตลอดเวลาวันละ24สชั่วโมงทั้งปีผมว่าเขาเจอหนักกว่าคุณเยอะนะครับแต่คิดอย่างนี้ ก็น่าจะเป็นเหตุให้นึกเมตตาและลดความเกลียดเขาลงได้บ้างแล้วการจงใจแกล้งชาวบ้านเล่นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวหรือพูดง่ายๆว่าพอใจจะมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นดูเผินๆจะสนุกตอนได้ทำหรือสะใจตอนแกล้งสำเร็จอย่างมากคนถูกแกล้งก็โมโหนิดหน่อย และส่วนใหญ่จะไม่อยากถือสาหาความเลยดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท้จริงหากสามารถสัมผัสจิตของคนขี้แกล้งได้คุณจะรู้สึกว่าความระริกระรีตอนแกล้งที่แปลเป็นความโอลหมานฟุ้งซ่านหลังแกล้งสำเร็จช่างไม่น่าพิสมัยเอาเลยสำหรับเจ้าตัวคล้ายจิตของเขามีความคันแบบลิงอยู่นิ่งเป็นสุขไม่ค่อยได้ ตั้งมั่นเป็นสมาธิยากและหากสั่งสมบาปเล็กน้อยมากถึงจุดที่กลายเป็นเงาบาปใหญ่เขาจะเป็นพวกชอบหาความเดือดร้อนให้ตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีคิดผิดเลือกผิดตัดสินใจผิดแม้รู้ทั้งรู้ว่าผิดก็อุตส่าห์ดันทุรังทำเหมือนใจเป็นศัตรูตัวเอง อยากกลั่นแกล้งตัวเองให้ได้รับความเดือดร้อนนี่ลหละครับผลกรรมของคนขี้แกล้งในระยะยาวไม่มีนักแกล้งมนุษย์รายไหนอยู่เป็นสุขเลยสักคนส่วนผลของการเป็นคนไม่มีมารยาทเขาก็ยอมได้รับการสนองตอบจากสภาพแวดล้อมอย่างไม่มีมารยาทเช่นกัน แต่เป็นผู้ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างให้เกียรติไปจนกระทั่งได้รับความจุกจิกกวนใจจากมดแมลงบนที่นอนอย้ายบ้านไปที่ไหนก็เจออยู่เรื่อยในขณะที่คนบ้านเดียวกันไม่ค่อยจะเจอกันฉายภาพวิบากกรรมของคนขี้แกล้งไรมารยาทให้ดูแล้วคราวนี้ขออนุญาตฉายภาพใกล้ตัวคุณสักนิดนะครับ การเพ่งเลงอยู่ว่าใครทำอะไรยอมได้รับผลอย่างนั้นเฉียดกันนิดเดียวระหว่างผู้มีอุเบกขามหากุศลกับผู้มีจิตคิดสาบแช่งให้ศัตรูมีอันเป็นไปที่คุณขอทราบผลกรรมของคนที่คุณเกลียดเพื่อจะได้ลดความเกลียดลงนั้นขอให้สำรวจใจตัวเองดีๆว่ายังเจืออยู่ด้วยโทสะขณะถามหรือไม่ ได้รับคำตอบแล้วมีความสะใจหรือไม่หากมีอยู่ก็แปลว่าคุณมีมูลรากของความเป็นนักเพ่งโทษนักสาบแช่งแล้วเพราะคุณไม่มีทางลดความเกลียดลงได้ด้วยความสะใจกับการรู้ว่าศัตรูต้องเจอชะตากรรมเลวร้ายเจตที่สะใจแบบนั้นชี้ชัดว่าคุณต้องมีความคิดเป็นอกุศล เมื่อคิดเป็นอกุศลยยอมปรุงแต่งจิตให้อยู่ในสภาพที่มืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบด้วยโสมนัสกรณีนี้คือสะใจก็ยิ่งขยายผลให้แรงเข้าไปใหญ่เมื่อคิดเป็นอกุศลยยอมได้รับผลในทางไม่ดีเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งคิดไม่ดีกับคนไม่ดี ขอแนะนำว่าเพื่อฝึกตนให้เป็นผู้มีจิตอุเบกขาจริงๆคุณควรใส่ใจกับผลกรรมดีของผู้ที่คุณผูกพยาบาทหรือโกรธเกลียดก่อนเป็นอันดับแรกเห็นว่าแม้คุณเกลียดก็ไม่อาจทำลายความสุขที่เขาควรได้รับจากความดีที่เขาสร้างทำมากับมือจากนั้นจึงค่อยหัดดูผลกรรมชั่ว ของผู้ที่คุณผูกสมัครรักใครเป็นอันดับต่อมาเห็นว่าแม้คุณรักใครเพียงใดก็ไม่อาจทำลายความทุกข์ร้อนที่เขาควรได้รับจากไฟที่เขาก่อขึ้นมากับมือเช่นกัน